พอเห็นประโยชน์ของเขาแล้วเห็นเลยว่าเขากําลังเสื่อมประโยชน์อยู่พอเห็นว่าเขาเสื่อมประโยชน์นั่นแหละจึงเป็นกรุณาเมตานี้ถือว่าเป็นเบื้องต้นของกรุณาอย่างพระมวิหารสีทาไมแสดงเมตตาขึ้นก่อนเพราะว่าน้อมนําประโยชน์เข้าไปให้แก่สัตว์ทั้งหลายเมื่อเห็นว่าสัตว์ทั้งหลายเสื่อมจากประโยชน์ก็เลยมีความการุณาต่อสัตว์ทั้งหลายก็เลยมีกรุณาตามมาตามมาจาก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 ตอนแรกบอกว่าเมตาน้อมนำประโยชน์เข้าไปให้เขาแต่เขากำลังเสื่อมจากประโยชน์เพราะเขากำลังเดินไปเพื่อรับแต่ทุกข์รับแต่โทษทีนี้จะช่วยเขาให้พ้นจากทุกข์ได้อย่างไรนั่นแหละเป็นที่มาของพุทธการกธรรมธรรมที่ทำให้เป็นพระพุทธเจ้าธรรมที่สร้างความเป็นพระพุทธเจ้าเกิดจากการุณาเมตตาการุณาและก็คือพุทธการกะธรรมทั้งหลายนั่นถือว่าพุทธการกะธรรมทั้งหลายการุณาที่มุ่ง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 นี่มาดูวิธีพิจารณาอุเบกขาเป็นข้อสุดท้ายเนี่ยนะวิธีพิจารณาอุเบกขาพิจารณาอย่างนี้ว่าความเสียหายที่สัตว์ทั้งหลายทำเนี่ยนะคือคืออย่างว่านะที่เราทำสงเคราะห์อนุเคราะห์ต่อสัตว์ทั้งหลายเนี่ยอยากคิดนะว่าคนยานุโมทนาและก็มูธิตาตลอดใช่ั้ย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 สร้างบารมีอยู่เ่จาจะไม่มีคนคอยขัดคอยขวางสัตว์ทั้งหลายเนี่คอยขัดคอยขวางคอยห้ามในการสร้างคุณงามความดีเถ้าเรียกว่ามารหรือผู้ฆ่าประโยชน์เนี่ยนะถ้าไม่มีอุเบกขาไม่มีการรู้จักวางใจเก็บเอามาคิดเนี่ยนะเขาว่าเราคำหนึ่งเราก็เก็บมาคิดเขามาทําลายเราหน่อยหนึ่งเราก็เก็บมาคิดไม่มีการรู้จักวางเอาไว้บ้างเลยจะเป็นยังไงไม่มีรู้จักเอาวางเอามาเฉยบ้างเลยนะ เก็บคิดทุกคําที่อ่ะโดยเฉพาะคําของผู้ทําลายประโยชน์เนี่ยนะผู้ทําลายบุญกุศลเราเก็บเอามาคิดหมดเลยเนี่ยนะถามว่ามันจะเป็นยังไงยากว่างั้นเพราะฉะนั้นถ้าไม่มีอุเบกขามันจะทําให้ใจพิการาเรียกวพิการทางความคิดว่างั้นนะคนที่ไม่รู้จักอุเบกขาบ้างเลยเนี่ยนะเก็บเอามาคิดหมดเดี๋ยวใจก็ป่วยเรียกว่าพิการทางความคิดเมื่อความคิดป่วยก็ไม่มีการ สะสมบารมีก็ได้ว่าพูดแบบรถก็คือถูกเจาะยางไม่เรียบร้อยแลว้วก็จอดเสียอยู่ข้างทางนั่นแหละ hey, เนี่ยนะเพราะอะไรเพราะไม่มียางอะไรมาเปลี่ยนเนี่ยนะชั้นใดก็ดีคนที่คําพูดของคนในโลกนี้บางทีเนี่ยนะไม่ได้เพิ่มพูนในการเออดีแล้วนะอในอย่างที่เราทั้งหลายมาศึกษาธรรมะศึกษาคําสอนของพระพุทธเจ้าคนที่มุทิตาม่กี่คนหรอกจะพูดยังไงให้มันเลิกเรียนสัทีหนึ่งนะไม่เรียนไม่มีจบมีสิ้นเรียนอะไรก็นักกานาเขาแนั้น ก็มีสามีบางคนว่าโอ้ย เ, เรียนอะไรกันนะกันเรียนไม่มีจบมีเลิกมีราสักทีเขาบองั้นเมื่อไหร่เธอจะจบสักทีเขาบองั้นนะบางทีก็เป็นอย่างงั้นนะแม้กระทั่งว่าสามีบางคนที่เรียนธรรมะก็ไม่ใช่ว่าจะถูกได้รับการอนุโมทนาจากภริยาศัก์เท่าไหร่เพราะนี่นี่ขนาดคนใกล้ชิดแท้ๆเลยนะจะกล่าวไปยายถึงคนอื่นๆแล้วเนี่ยนะเพราะฉะนั้นการสร้างคุณงามความดีเนี่ยนะก็อย่างว่าแบบโบราณก็ใช้คําว่าปากอะไร ปากปูเนี่ยนะที่มันคอยเน็บเหมือนกับตะไคร์คอยหนีบคอยคอยที่เรียกว่าคอยบันทอนในการสร้างกุศลบารมีสิบทุกคำเนี่ยนะการให้ทานเนี่ยนะเชื่อเถอะมีคนมาคอยขวางวาอย่าทําเลยเนี่ยนะยาเนี่ยนะเช่นอย่าให้กับคนนี้เลยหนึ่งยาทํามากขนาดนี้เลยเนี่ยหนึ่งยาทําในช่วงนี้เลยนี่อีกอย่างนึงสรุปว่าพูดจนไม่ต้องทํากันละว่างั้น น, นะนะศีลก็เหมือนกันพูดจนไม่ได้รักษา เน่คำมากก็พูดจนไม่ต้องเจริญปัญญาก็พูดจนไม่ต้องอบรมเนี่ยนะพูดซะให้ท้อหมดเลยเนี่ยนะพูดซะขาดกําลังใจหมดพันสรุปว่าบารมีเนี่ยเวลาสร้างบุญบารมีทั้งหลายมีคนที่เาขาคอยเจาะยางอะไงนั้นคอยที่คอยให้ท้อแท้ท้อถอยนั่นแหละก็ไม่เก็บเอามาคิดให้ป่วยทางใจบะงรนั้นเลยไม่ต้องไปสนใจพราะนั้นอุเบขาบางทีในยะนี้แปลว่าไม่ต้องเก็บเอามาคิดไม่ต้องไปสนใจแต่ไม่ใช่โง่นะ เพราะอะไรอีกนัยหนึ่งเนี่ยนะถ้าหากว่าการเจริญบา ร, รมีน้อมนําประโยชน์สุขไปให้แก่สัตว์พระสารทั้งหลายด้วยเมตตาเนี่ยถ้ามีใจผูกพันอยู่นั่นแหละไม่มีอุเบกขาและจะสร้างบา ร, รมีต่อต่อไปได้อย่างไรเนี่ยนะก็เลยกลายเป็นว่าน้อมนําประโยชน์ไปให้แก่สัตว์ใดก็เลยผูกพันอยู่กับสัตว์นั่นแหละจนไม่ได้ไปสร้างบา ร, รมีอย่างอื่นต่อไปเลยจะเป็นอย่างไรมันก็ถือว่าถึงเขาจะอะไรนะ ถึงเขาจะเสียหายก็ไม่เก็บเอามาคิดถึงเขาจะดีขนาดไหนก็ไม่อาไยอาวรนเนี่ยนะไม่อาไลาอาวรนพร้อมที่จะสร้างคุณงามความดีคุณธรรมต่ อ, ต, อต่อไปโดยที่เรียกว่าไม่มีอะไรที่จะมาขวางในการเจริญบุญกุศลไอตัวที่ทําให้มันไม่ติดไม่ข้องตัวนี้แหละเรียกว่ากุเวกขาแปลว่าเป็นความหล่อลื่นไม่มีติดมีพันุ์ไม่มีอะไรมาเป็นอุปสรรคในการเจริญบุญกุศลเนี่ยนะ เพราะผู้ไม่มีอุเบกขาไม่สามารถจะน้อมไปในบุญยสมภารไม่สามารถจะน้อมไปเพื่อประโยชน์เพื่อกูลอันเป็นผลแห่งบุญยสมภารในการสะสมคุณงามความดีต่อไปได้เพราะฉะอุเบกขาเนี่ยนะการไม่ติดไม่ข้องไม่อะไรเนี่ยจะช่วยให้เจริญบุญได้ต่อไปอย่างสมมติถ้าอย่างอะไรอาวอนในตําแหน่งล่างๆเนี่ยถามว่าตําแหน่งสูงๆเป็นไปได้ไหมที่จะได้รับถ้าอะไรอาวรนในคุณชั้นล่างๆ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 ทำให้คนเนี่ยหมดเรี่ยวหมดแรงในการเจริญกุศลเลยนะเป็นคําพูดที่ไปบ่อนไซทําลายความเจริญเติบโตทางสติปัญญาพูดแล้วก็เาฉาตายเดี๋ยก็มีนั้นคำพูดเนี่ยน้ำลายเนี่ยทําให้คนใจเฉาตายมาไม่ใช่น้อยเนยนะนั้นระวังให้ดีๆมามิจฉาวาจาหรือสัมมาวาจานี้สําคัญเนี่ยนะคำพูดเนี่ยนะสำคัญมากต่อแม้กระทั่งเราเราพูดเองเนี่ยนะคำพูดที่เราพูดเนี่ยเราจะเจริญหรือไม่เจริญก็อยู่ที่คำของเราเหมือนกันเพราะนั้น ถ้อยคำเหล่านั้นเนี่ยจะต้องเอามามาพิจารณาให้ดีแต่อย่าไปสนใจมากเกินไปจนไม่ได้เจริญกุศลคือในยักตรงของอุเบกขาบารมีก็คือว่าไม่ต้องเอามาหนักใจจนไม่ได้ทําบุญหรอกว่านันนะไม่ต้องไปสนใจจนไม่มีโอกาสได้ทําบุญว่ากันเพราะจะอะไรก็ช่างจะเป็นคาพูดดีหรือคาพูดเลวร้ายก็ช่างต้องไม่ใช่เป็นตัวบันทอในการสร้างบารมีทั้งหลาย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 ส, pi, สูงกว่าเนวสัญญาณาสัญญาญตนะพระวกพรมหมายถึงเนวสัญญาณาสัญญายาตนะโสดาบันนี้ก็ยิ่งกว่าภระวกพรมแล้วโสดาบรรันก็ยิ่งกว่าพระวกพรมแล้วแล้วนี่พระสัมมาสัมพุทธเจ้ายิ่งกว่าพระโสดาบันขนาดไหนเพราะพระโสดาบันร้อยท่านก็สู้พระสกทาคามีท่านเดียวไม่ได้โดยคุณธรรมนะ <c iller Witness es> คุณธรรมของพระสกทาคามีร้อยท่านก็ <possible> สู้พระนาคามีท่านเดียวไม่ได้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 ไม่อาไลา่ไม่อาวรนในคุณที่สร้างไปแล้วคือบางคนเนี่ยนะเวลาทําบุญทําไปนิดเดียวก็อาวอนอยู่นั่นแหละก็คือมาเก็บชื่นชมในบุญเล็กน้อยอยู่นั่นแหละจนไม่ไ ม, ไม่ไม่หาโอกาสหาช่องทางที่จะเจริญกุศล ต, ต, ต่อไปการพูดถึงบุญที่ตัวเองสร้างไว้เป็นความดีแต่การอาไัยอาวอนติดข้องจนไม่สามารถทําบุญใหม่ๆได้อันนี้ไม่ดีเพราะก็เรียกว่าขาดอุเบกขาเนี่ยนะ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 รักษาศีลได้ยิ่งขึ้นยิ่งขึ้นยิ่งขึ้นเนี่ยนะเพระาะไม่ใช่ว่ารักษาชีวิตมากแล้วชีวิตจะยาวเท่าไหร่ใช่ไหมแปลกนะยิ่งรักษามากยิ่งแก่มากชีวิตเนี่ยรักษาดูแลอย่างดีแล้วยิ่แ ก, ทก่ทุกวันทุกวันเนี่ยนะเชื่อวันนี้แก่กว่าเมื่อวานเดี <S <s ๋ยวพรุ่งนี้นะแก่กว่าวันนี้อีกยิ่งดูแลยิ่งแก่เพราะนั่นอยไปสนใจไปให้ค่าอะไรมันมากมายนะนะ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 สํานวนภาษาไทยก็าบอกถ้าไม่รู้จักปล่อยไม่รู้จักวางซะบ้างเนี่ยนะไม่ต้องไดทําแล้วบุญวางกันทานก็ไม่ต้องให้แล้วศีลก็ไม่ต้องรักษาแล้วถ้ามัวแต่ติดมัวแต่ล้องมัวแต่อะไรอววรู้จักปล่อยซะบ้างรู้จักสละของเล็กน้อยอเขาบอกว่าผู้ฉลาดทั้งหลายก็รู้จักลงทุนสละของเล็กน้อยเพราะเพื่อผลอัน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 ไม่ยินดีหรือยินร้ายเนี่ยนะทำใจได้เสมอในสิ่งที่น่ายินดีและไม่ยินดีเาเรียกว่ารับได้ทั้งสิ่งที่น่ายินดีและไม่ยินดีพันไอความที่เรียกว่ารับได้ทั้งสิ่งที่น่ายินดีและไม่ยินดีเนี่ยจึงสามารถเจริเนกขัมมะได้อ น, นะสิ่งที่ไม่น่ายินดีหมายว่าการพลัดท่าจากวัตถุอันเป็นที่รักนี่น่ายินดีหมไม่น่ายินดีท่านก็ทนได้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 กรารพิจารณาโทษข อ, ของการไม่สร้างบารมีการพิจารณาอนิสงของการสร้างบารมีนี่คือปัจจัยของบารมีแปลภาษาไทยง่ายๆว่ม ah ามหาพิจารณานั่นแหละพิจารณาเท่าไหรก็นั่นแหละปัจจัยของบารมีเท่านั้นก็ออการพิจารณาก็คือพิจารณาโทษของการไม่สร้างบารมี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 อนุโมทนากับทุกท่านขอให้ประสบความสุขความเจริญตลอดตปนะ